รัตรัรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตวรกที่ห้าชื่อสลายตนาวรแปลว่าวักกำหนดด้วยอายตนาหประสูตรที่ส3สาอนาถปินทิโกวาทสูตรสูตรว่าด้วยการให้โอวาดแก่อนาถปินทิกะเขารือหะเบดีพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนาราม สมัยนั้นอนาถบินทิกะครืหบดีไม่สบายเป็นไข้หนักจึงส่งคนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบและให้ถวายบังคมแทนตนกับส่งคนไปอาราธนาพระสาวรีบุตรไปยังที่อยู่ของตนเพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระสาวรีบุตรรับนิมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมไต่ถามโดยมีพระอานนุ์ตามไปด้วยเป็นปัจฉาสมณนะคือภิกษุ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 มีจักรุสัมผัสเป็นต้น5ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือเวทนาความรู้สึกหรือสวยอารมณ์หมีจักูุสัมผัสสัชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์อันเกิดแต่สัมผัสทางตาเป็นต้นและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยเวทนาหกมีจักูุสัมผัสสัชาเวทนาเป็นต้นหก ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุและวิญญาณของท่านจะไม่อาศัยธาตุดินเป็นต้นเจ็ 7. ท่านพึงสำเนียกว่าจะไม่ยึดถือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ